أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ع ل لا م لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت غ ف ر لنا وترحمنا เอานักว no so ่านะในผู้แพ้ขอพระหัตถ์พระบาทพระเจ้าคุพระบิดาท่านครับวันนี้เป็นวันที่สองเดือนรัชับเผื่อว่าใครไม่รู้สึกตัวนะครับวันอ้วนวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สองก็เหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนไม่ถึงสองเดือนแล้ววันนี้วันที่สองแล้ว เขาจะเข้าสู่เดือน ر ม ض ا ن อีกครั้งหนึ่งทำเลยล่ะนะครับมุสลิมมุกมินเวลาจะถึงเดือนร رمضان เขาจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนกับเฝ้ารอสิ่งที่เขารอคอยมาทั้งหนึ่งปีนะครับท่านนาบีสุลต่านลมบรรดสลัดาาลเองพอถึงใกล้เดือน ر ม ض ا ن ท่านก็จะเตรียมตัว ท่านจะบอกให้โดยเฉพาะบรรดาผู้หญิงนะครับบรรดาคนที่เป็นสตรีมุสลิมเนี่ยอย่าเผลอนะครับบางคนอาจจะยังถือศีลอดชดไม่ครบนะครับอย่าเผลอให้จนถึงเดือนรอมฎอนปีหน้ามาหรือว่าปีที่เจ็ดนี้มาแล้วเรายังยังชดไม่ครบนเนี่ยเนี่ยอันตรายมากนะครับจะต้องกลับไปบอกต้องบอกกล่าวต้องช่วยกันตักเตือนให้บรรดา ม, มุสลิมที่ยัง ถือสินอดไม่ครบหรือชดยังไม่ครบของปีที่แล้วนะครับจะต้องรีบนะครับอย่าให้ได้รมฎ อ, อนอันใหม่มาถึงแล้วเรายังชดไม่ครบนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรมฎ อ, อนก็คืออัลกุรอานเพราะฉะนั้น หลายๆคนที่เป็นบรรดาบัมพบุรุษรุ่นแรกของอิสลามเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับกับสองเดือนเดือนรัยับกับเดือนชะบานก่อนที่จะถึงรอมฎอนเป็นอย่างมากนะครับมีฮะดิษที่มีดูอานะครับแต่ไม่ค่อยเป็นดูอาที่สอดแห้เท่าไหร่แต่ว่าเป็นดูอาที่เขาอ่านกันเยอะเป็นดูอาที่หลายๆคนชอบที่จะเอามาอ่านก็คือ Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'aban wa bilghana Ramadhan. คมุณมีแนวคิว่าเป็นห a ด i ษต่ อ, อฟีฟหรือว่าเป็นห a ด i ษขนาดไหนนะครับจะบอกว่าบรรยากาศของการากาต้อนรับ رمضان เนี่ยสองเดือนสองสามเดือนก่อน رمضان จะถึงเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะไอ้นั่นกันแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาเรียว่ามีการเตรียมตัวในเรื่องของข้อมูลศึกษาเพราะว่า อ่ะแค่เ ร, รามรอนนี่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดือน ر ม ض ا ن การถือศีลอดก็ดีการอ่านอัลกุรอานอะไรก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องพูดกันเยอ ะ, อะถ้าเป็นไปได้เนี่ยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะเอาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ر ม ض ا ن มาอ่านให้ชาวบ้านฟังมาอ่านให้มะอมมู่ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวตั้งแต่นั้นๆอัลฮัมดุลิลละห์อ um ัลลอฮฺมะบัลลิกเนาะรอมฎอนุราะห์มะติค่ะยาอัลฮัมม์อัลห เอาละครับวันนี้สุรัตุเลนชิกอกเป็นตอนที่สองของสุรัตุเลนชิกอกนะครับเรามาอ่านกันก่อนเดี๋ยวอา่อานอ่านพร้อมกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ให้มีตัวแทนอา่านสักสองคนนะครับหน้าที่เราตั้งแต่เริ่มต้นเลยสุรัตุเลนชิเ ก, กนะก้าวสิบห้า ที่จะมีบ้าน 5,925 แ, แล้วเดี๋ยวเราอ่านสัก9อายัดพร้อมๆกันก็ที่เหลือจะอ่านสักกี2อายัดดียวอ่านสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องอ่านหมดเพราะว่า วันนี้อาจจะได้ประมาณสักเฟลาอุคซิมวิชาฟักนีอาจจะไม่ได้อาจจะสิบห้าอายะพอะเอาสิบห้าอายะพอ่อกันนะครับสิบห้าอายพร้อมๆกันอินชาอัลลอฮ์อูรุบิลลาฮิมินัชชัยตานิรราม بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شققت وأذنت لربها و ح ق ت و َ أ ذ ِ ن ت ْ ل ِ ر َ ب ّ ه َ ا و َ م ف ْ ر وَإِذَا ا ل أ َ ر ْ ض ُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, وتخلت, وتخلت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا و َ ح ُ ق ขัดย ه เอเยือนในรับَ يَا أَيُّهَا ا ل ْ إ ِ ن อَอินสานุอินนักคาดห์หุนอี رَبِّكَ كَدْحًا ف َ م ُ ل َ ا ق ِ ي ه ิ فأما ََ من َ أُوتي كتابه ُ بيمينه فسوف َََ يحاسب ُُ حسابي ِ يسيرا. วิญญัติกลับِปหาคนในบ้านَองเขาวิญญัติกลับไปหาคนในบ้านของเขาและไม่มีใค ت ِ ي َ كِتَابَهُ فسوو فيدعو ثبورا و يصل سعيرا إنّه كان في أهله م س ر ا ل َّ ي ي َ ح ْ و ُ ر إِلَّا ََََُ ي َُ و ب َ ل َ ى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ขั้มุลล ok. ัลละซุ ok, รัตอันฉิควาอันฉิควารับอกแล้วว่าหมายถึงการแตกออกของท้องฟ้านะครับซึ่งซุร้อนี้ก็เป็นซุร้อนที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามัตอีกซุร้อนหนึ่งแต่เนื้อเรื่องการนําเสนอวิธีการนําเสนอในเนื้อซุร้นี้มีความแตกต่างบ้างจากซุร้อนที่ผ่านๆมาพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาส่าเล่าเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถามว่าจุดประสงค์อะไรที่อัลลอฮฺสัลลาฮเล่าให้เราฟังตั้งมากมายทำไมอัลลอฮฺสัลลาฮเล่าเรื่องราวต่างๆของวันกียมัดอย่างมากมายเหลือเกินให้เราฟังซุร่าอัลอินฟาร์ราอะไรอีกซุราอ่ออ่ออ่าอ่าอ่าอ่าออ่าอ่าอาออา นะครับและอีกหลายๆสุรอก์เนี่ยถามว่ามีจุดประสองค์อะไรจุดประสงค์หลักนะครับในการที่นำเสนอสุรอก์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆในสุรอกษ์เหล่านี้แน่นอนว่าเราจ่าเราไม่ได้พูดถึงวันเกียร์มัดเปล่าๆไม่มีเขาเรียกว่าเป็นเรื่องไร้สาระ จุประสงค์หลักที่เราสบาวแต่ลราพูดถึงวันกียรตมรกกคือมันจะต้องมีปฏิกิริยาเชิงรูปธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนจำเอาไว้ให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราอ่านเกี่ยวกับว่าวดวงอาทิตย์จะแตกดวงจันทร์จะดับดวงอะไรอีกท้องฟ้าจะอ่อนยยกยากและมันไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรกับเราเลย ไม่เกิดผลเชิงรูปธรรมอันนี้เราแตาลาไม่เอามันเสียเวลาเปล่าที่เราจะมาอ่านอัลกุรอานพูดถึงวันแกมัดโดยที่พอเราอ่านเสร็จแล้วนี่มันเราไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมสําหรับเราเลยเพราะฉะนั้นสุรานี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากสุร้อื่นสุร้อื่นพูดถึงวันแกมัด ต, ตั้งแต่แรกจนจบเพื่อให้เรารับทราบข้อมูลต่างๆสุรานี้ไม่พอพูดถึงวันแกมัดสักนิดหนึ่งพระองค์ก็เรียกเรียกเรา เรียกความรู้สึกของเราให้หันกลับมาทบทวนตัวเองว่ายะอายุหันยะอายูฮัลอินทานอินนักกาดิฮุนอิลารับบิกาดฮันฟะมุลาคีเรียกมนุษย์ละพูดถึงวันกิยรติปุ๊บมนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยวันนี้เจ้ามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้กนะี่ปีแล้วบางคนก็ยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบก็าไป คดิหุนอิลารบบิคัดิัมฟามุลาคีคดิหมายถึงทำงานไม่หยุดอยู่กับที่ผมถามว่าทุกวันนี้เราหยุดอยู่กับที่ไหมทุกวันนี้เราไม่อยู่กับที่เลยบางคนก็ทำงานของตัวเองทำ ง, นนทำงานนู่นทำงานนี่แต่ละคนก็แตกต่างกันไปแกาดีพุนเวลาที่มันผ่านไปวันแต่ละวันแต่ละวั น, นเราไม่ได้อยู่กับที่สักวันหนึ่งเลย ยิ่งวันไหนที่วันไหนเอ่ยยิ่งนักวันนะครับวันไหนที่ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยวันนี้ตกไปแล้วว <pod> er ันหนึ่งแสดงว่าชีวิตของเราก็ใกล้ไปสู่อัลลอฮฺมาถ่ายหลายกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วมันก็ตกชีวิตของเราก็ใกล้ไปสู่อัลลอฮฺมาถตายหลายกวันหนึ่งแสดงว่าเรากําลังใกล้สู่วันจะมัดเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีแต่เราอาจจะไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้นองกต่ก็เลยพยายามที่จะดึงความรู้สึกเรากลับไปสู่ยกมัดให้ได้บอกว่าวันดวงอาทิตย์จะเป็นอย่างนั้นท้องฟ้าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าตัวเองกำลังเดินทางไปหาอัลลอฮ์ยะอายุหฮันอินเซนอินนักกาบุฮุนอิลารับบิกะกัดหัมฟมุลาีนะครับของเสียก็อันทบให้ดีเหมือนกันนะครับลองดูคืออัลลอฮ์ทรงแจ้งให้มนุษย์ทราบว่า มนุษย์ทุกคนนั้นจะศรัทธาต่อพระองค์หรือจะปฏิเสธศรัทธาก็ตามจะจงรักภักดีต่อพระองค์หรือดื้อดึงยะโสต่อพระองค์ก็ตามเพราะว่าทุกคนกําลังบากบั่นกลับไปหาพระองค์ด้วยกันอย่างขมขื่นหมายความว่าทุกคนีกําลังเดินทางไปหาอัลลอฮ์กำลังไปหาความตายกันทั้งสิน้นไม่มีใครที่สามารถจะยับยั้งหรือหลีบเลี่ยงได้ทุกวินาทีที่ผ่านมนุษย์แต่ละคนไปนั้น ได้ย่นระยะทางของเขาให้เข้าใกล้พระองค์ขึ้นทุกทีแล้วในที่สุดเขาก็จะตายน้องครับในเมื่อเราทุกคนจะตายแต่เราไม่เคยนึกถึงวันแก่มากเลยเราไม่เคยนึกถึงวันความตายเลยตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วความตายนี่สุภาลล์มันบอกมันไม่เคยบอกเรานะว่าเราจะมาเมื่อไหร่สัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วผมไปละหมาดที่บางเทา ไปละหมาดอยู่มาอันที่บางเขามีพี่น้องเสียชีวิตถามว่าเสียชีวิตก็ถามว่าเอ๊ะเขาเสียชีวิตยังไงพี่น้องทราบหรือเปล่าครับเสียชีวิตกลับมาจากหาปลาในทะเลไปหาปลาในทะเลเมื่อคืนกลับมาจากหาปลาในทะเลดีดีเหนื่อยนอนพรุ่งนี้เช้าภรรยาไปปลุกไม่ตื่นละมีเครื่องหมายอะไรที่บอกว่าเขาจะตายอะไม่มี ไม่ได้บอกไม่มีไม่มีบอกอะไรไม่มีสัญญาณเครื่องหมายบ่งชี้แล้วว่าพรุ่งนี้ฉันจะตายเขาจะตายตายแบบง่ายๆมากเลยนี่คือความจริงครับเอาข้ออ่านพูดถึงความจริงแล้วเอาข้ออ่านก็บอกให้เรานึกถึงสิ่งที่เราจะต้องเจอจริงๆอย่าหลุดอย่าใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่จินตนาการหรือฝันอยู่ในความเาฝันอยู่ตลอดเวลาะเราไม่ชอบความจริงมนุษย์ไม่ชอบความจริง ก็เลยหาเรื่องฝันได้ทุกวันนะครับฝันจะเป็นอย่างนู้ฝันจะเป็นพอพูดถึงความจริงเล็กน้อยนี่ไม่อยากจะฟังโมริรูน<ว>บัล هم, อัคซารุฮมโมริรูนแล้วต่าบอกว่าส่วนใหญ่แล้วมนุษย์นี่จะหันหลังให้กับความจริงถาความจริงคืออะไรความจริงก็คืออัลกุรอานความจริงก็คืออิสลามความจริงก็คือวันอาคราส่วนใหญ่แล้วจะไม่ชอบนี่คือมนุษย์สุบฮานอัลลอฮ์แล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคสมัยมนุษย์ทุกยุคสมัยเป็นอย่างนี้ นี่คือการเรียกของอัลลอฮ์สุบฮานสัลลาห์ที่ต้องการให้เราเข้าใจว่าทําไมพระองค์จึงพูดถึงวันเกียา์มัดมากขนาดนี้นะครับในการตาของเขานี้นับเป็นการพบกับอัลลอฮ์ในขั้นต้นคือพบกับการตอบแทนหรือการลงโทษของพระองค์ในเป็นเบื้องต้นในหลุมศพก่อนกล่าวคือถ้าใครศรัทธาต่อพระองค์จงรักพักดีต่อพระองค์เขาก็จะอยู่ในหลุมศพด้วยความสบายแต่ถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธา เขาก็จะได้รับการลงโทษและการทรมานจนถึงวันเขียมัดเมื่อนั้นแหละเขาก็จะได้พบกับอ AH ัลลอฮ์สุลตัติชิฟามูลาคีนะครับอายะที่บอกว่าตอนตอนท้ายของอายะที่อัลลอฮ์สั่งล้บอกว่าฟามูลาคีหมายถึงสุดท้ายเราก็จะกลับไปหาอ AH, ัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์อัลลอฮอัลลอฮ์อัลลอฮพอกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วพระองค์ก็จะทรงตอบแทนในสิ่งที่เราทําไปทุกวัน นะอิลลฮอิลล a l l a อิลฮอิลล a l l a ทีนี้ก็เป็นนาทีที่เราจะต้องมาพิจารณาตัวเองว่าเราได้เตรียมเอาไว้อะไรไว้บ้างในการที่จะกลับไปหาอัลลอ์นะครับอันนี้แหละเป็นคำถามที่หนักมากนะครับหนักในเรื่องของความรู้สึกที่เราจะต้องต่อสู้และฟันฝ่าคือมันไม่ได้หนักในในในในในเรื่องของคือบทบัญญัติของอัลลอ์แต่อะไรมันไม่มันไม่ได้มีอะไรหนัก لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. Allah t a a l บอกพระองค์จะไม่ทรงบังคับใช้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถที่ชีวิตนั้นสามารถจะแบกรับได้ละหมาท้าเวลาเนี่ยลองทำวิจัยดูไม่มีใครหรอกที่บอกว่าทำไม่ได้ทำได้แน่นอนทำได้มันนิดเดียว แล้วบอกด้วยว่าถ้าละหมาดยืนไม่ได้ก็ะละหมาดนั่งละหมาดนั่งไม่ได้ละหมาดนอนไม่มีนะครับที่บอกว่าเกินความสามารถของมนุษย์การถือศีนอดตีละครั้งสามสิบวันไม่ใช่นะพอถือศีนอดแล้วเนี่ยพอพอหมดเดือนระมดอนไปแล้วเนี่ยพอถึงเดือนชาววัเนี่ยร่างกายเราสุดโซมเพราะการถือศีนอดหนึ่งเดือนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรือถือศีนอดนะครับหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยฮะเป็นอะไรมะเร็งยิ่งกระจาย นะเบาหวานยิ่งหนักไม่มีมันยิ่งดีขึ้นมีอะพอถือสิ้นออกแล้วเบาหวานลดลงมีอันนั้นมีนะครับร่างกากระชุ่มกระชวยขึ้นอันนั้นมีสุขานะลอห์เพราะฉะนั้นละยุคลิฟุลอหูเนฟเซนอิลลาอุสอฮะบทบัญญัติของ Allah ไม่หนักห น, นักตรงที่เราจะรับมันหรือเปล่าแค่ <c oughs> okay, นั้นเองต้องหูย่าดะละหมาด5้าเวลาเนี่ยน้อยมาก ถ้าจะเปรียบเทียบกับคนสมัยก่อนสมัยของนบีมูซานาบีมูซาเนี่ยบอกว่าโมหมัดเอ๋ยจะกลับไปขอกับอัลลอฮ์ใหม่เถิดห้าเวลาแล้วนะตอนแรกห้าสิบตอนแรกนี่ไปรับนี่ห้าสิบมาเจอนบีมูซานาบีมูซาบอกว่ากลับไปไหมไปขออีกท่านนาบีของเรานี่ก็อายเหลือเกินไปขอครั้งละห้าครั้งละห้าครั้งละห้าครั้งละหนะครับจบที่ห้าเราห้าเวลาตอนหนึ่งวันเนี่ยนบีมูซาบอกว่าไม่ได้ฉันรู้ว่ามนุษย์นี่มันขี้เกียจ เพราะประชาชาติของฉันนี่เคยเป็นมาแล้วกลับไปขออีกท่นานนบีของเราสลลร์บอสลาร์บอไม่ได้แล้วกลับไปไม่ได้แล้วนะไม่มีนะครับไม่มีไม่มีความกล้าพอที่จะไปต่อรองกับอัลลอฮฺสุวาวตาอะอละอีกแล้วห้าเวลา5้าเวลาครับพี่น้องถามว่ามีใครที่สามารถยังมีอีกมากมายแค่ไหนคนที่ยังไม่สามารถรักษาละหมานห้าเวลาได้เยอะแยะเยอะแยะครับ อัลลอฮฺอักบารเราจะเอาง่ายขนาดไหนเชียวศา ส, สนาจะเอาศาสนาที่มันง่ายขนาดไหนเชียวจะเอาขนาดไหนที่ว่ามันง่ายนี้ทำไมอย่างอื่นเวลาที่เราทํานี่ ร, รู้สึกมันง่ายหมดะจะกินก็ง่ายจะแต่งกายก็ง่ายจะมันมันทําได้ง่ายหมดแต่พอทําละหมาดนี่รู้สึกว่ามันทํายากเหลือเกินละอิลลาอิลลอห์ละอิลลาอิลลอห์นะครับ س ุบ ح ا ن อัลลอฮฺนั่นแหละที่ Allah ก ล, ล่าวว่าแล้วที่นั่งเจ้าหดูฟีนะ่ะ ต้องมุจาดะต้องจ ihad ชีวิตนี้คือการมุจาดะชีวิตนี้คือการหันต้องต่อสู้ต้องแบกบันฮะ لقد قالنا لا يقسم بهذا البلد وأن ح ل و ن ب ه ا البلد ووالدين وما ول لقد خلقنا الإنسان في ك มนุษย์นั้น Allah Taala สร้างมาในสภาพที่ต้องต่อสู้พน้องครับชีวิตของเราต้องต่อสู้มาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราจะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำอรุณอุลามะอธิบายว่าอย่างไงตอนแรกที่เราจะเป็นมนุษย์นีเราต่อสู้ยังไงเหนื่อยไม่ใช่ว่าพาะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเหนื่อยตอนนี้นะตอนที่ยังไม่เป็นมนุษย์ก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยยังไงเอาง่ายๆตอนที่เราจะปฏิสนธิอันนี้มีการอธิบายของบรรดา น, นักวิชาการนะเขาอธิบายว่า การปฏิสนธิก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในท้องมันดาเนี่ยมนิคาร์มันดาเนี่ยเราสู้กันแล้วนะสู้ว่าใครที่จะเข้าไปในรังไข่ของฝ่ายหญิงอสุจิที่ถูกพ่นออกมาจากฝ่ายชายใช่ไหมครับก่อนที่จะปฏิสนธิมันมีเป็นพันเป็นหมื่นมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถเจาะไข่เข้าไปได้สู้กันแล้วนี่ความหมายนี่ความหมายที่นักวิชาการบอกว่าฟีแกบด นราเลยมาตั้งแต่นั้นละแล้วคลอดออกมาใหม่ๆโอ้นะไม่มีใครที่คลอดออกมาแล้วไม่ร้องไห้ทุกคนร้องไห้หมดสู้กับสภาวะแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราแต่ละสร้างมนุษย์มาแบบนี้พี่น้องไม่ต้องไปหาความสบายในโลกนี้ไม่ต้องไปหาความสบายในโลกนี้ในโลกนี้ไม่มีความสบายสบายของเราก็คือในสวรรค์เท่านั้นวันไหน ที่เราได้ก้าวเท้าข้างหนึ่งของเราเข้าไปในสวรรค์นั่นแหละคือวินาทีที่เราสามารถจะรับประกันตัวเองว่าสบายแล้วถ้ายังไม่ถึงไม่ต้องไปหาความสบายไม่มีต้องต่อสู้นะครับถึงข น, นานอัลลอฮฺละก็ไม่ได้บอกว่าเออคุณจะต้องละหมาดตลอดเวลาแล้วไม่มีช่วงเวลาที่คุณจะได้สบายได้ไม่ไม่เลยนะ ไม่ถึงนะมันไ ม, ม, มีเหมือนกันคนที่เข้าใจอย่างนี้คนที่เกินเลยในเรื่องของการอิบาัตต์ตลอดยังไงครับในสมัยของท่านานบีศ ส, ลสลุลต่านมีคนสามคนมาหาท่านนบีอันนี้แบบเลยเถิดแบบตรงมาหาท่านนบี ส, ลสลุลต่ามแล้วก็มาถามท่านนบีว่าท่านละหมาดยังไงท่านอะไรยังไงท่านนบีก็บอกว่าฉันละหมาดอย่างนี้ฉันถือศีลอดอย่างนี้แต่สามคนนี้บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรละ ท่านเนี่ยเป็นนบีแล้วเป็นรอซูนแล้วท่านไม่ต้องทำอำาําอะมาสเยอะท่านก็เข้าสวรรค์นแน่นอนแต่เราเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยถ้าเราทำำาําอามาสน้อยๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ไม่บางทีอาจจะอดเข้าสวรรค์ตกลงคนหนึ่งคนที่หนึ่งบอกว่าฉันจะละหมาดทุกคืนจะไม่นอนทุกคืนอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะถือศีลอดทุกวันจะไ ม, ม ไ, มไม่มีวันไหนที่ฉันจะละศีลอดเลย หรืออาจจะทือซิ้นอดตลอดชีวิตอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานมี่มันแย่เลยก่อนจะไม่แต่งงานแล้ว سبحان อัลลอฮ์นี่คือความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าชีวิตนี้จริงๆแล้วไม่สบายแล้วท่านนบีก็ประกาศเลยว่าฉันละหมาด ก, กลางคืนแล้วฉันก็นอนไม่ใช่ไม่ละหมาด ไม่ใช่นอนอย่างเดียวแล้วมาดแล้วก็นอนฉันถือสินอดแล้วฉันก็ละสินอดไม่ใช่ว่าถือสินอดโดยไม่ละสินอดตลอดชีวิตวันไหนที่ถือสินอดก็ถือไปวันไหนที่ละสินอดก็ละไปอบางครั้งเนี่ยอุลามะบางคนนี่บอกว่ามีการเรียงลําดับของมันว่าอันไหนควรมาก่อนหลังอันไหนคนจะต้องใครที่เขาเรียกว่าการถือสินอดอุลามะบางคนถ้าถ้าเป็นอิบนุมสูตเนี่ยอิบนุมสูดเนี่ย ชอบอ่านอัลกุรอานมีคนบางคนมีมีมีสัฮาบะบางคนมาถามนะมีบางคนมาถามอิบนุมัสอุดว่าทําไมเราเห็นว่าท่านเนี่ยถือสินอดน้อยเหลือเกินน้องมีคำตอบไหมนะคือบางคนเนี่ยไม่ถือสินอดเนี่ยไม่มีเหตุผลแต่นะอย่างอิบนุมัสอุตซึ่งเป็นสัฮาบะของท่านนบีอย่ท่านไม่ถือสินอดถือสินอดน้อยแต่ท่านมีเหตุผลท่านอธิบายได้ท่านบอกว่าที่ฉันไม่ถือสินอดถือสินอดน้อยนี่เพราะว่า มันทําให้ฉันออนแอในการอ่านอัลกุรอานฉันชอบที่จะอ่านอัลกุรอานมากกว่าที่ฉันพอถือศีนอดแล้วไม่ไหวอ่านอัลกุรอานก็เลยก็เลยลดถือศีนอดแต่อ่านอัลกุรอานให้เยอะสุดพานุลอห์คือมันมีทุกอย่างที่เป็นคําอธิบายในอิสลามหมดเลยถือศีนอดเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นการอิบะดั์ที่ดีที่สุดแต่ต้องมีการพักผ่อนบ้างและ ฉันเป็นคนที่แต่งงานท่านนาบีบอกว่าฉันมีภรรยาใครก็ตามที่ไม่ชอบวิถีชีวิตของฉันคนคนนั้นไม่ใช่พวกของฉันไม่ใช่พวกของท่านนาบีนะถ้าเราจะทรดกรมทรมานร่างกายของเราเพื่อที่จะนะให้บรรลุถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดหรืออีกฝั่งหนึ่งนี่ฟังไม่ได้ลเลยไอ้ฝั่งที่บอกว่า ไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดเนี่ฟังไม่ได้เลยฟังไม่ขึ้นเลยไอ้พวกที่หย่อนยานจนกระทั่งว่าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะหย่อนยานและและเลยในหน้าที่ของเขาเพราะว่าอิสลามไม่ง่ายที่สุดละละหมาดอ้าเวลาเนี่ยรออักบัดแล้วมันมีประโยชน์ต่อตัวเองอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าพอเราละหมาดนี่ผมรู้สึกว่าจะพูดหลายครั้งแล้วนะว่าไม่ใช่ว่าพอเราละหมาดแล้วมันเกิดมันเกิดโรคมันเกิดอะไรกับร่างกายไม่เลยมันเกิดผลดีกับร่างกายตัวเราเองด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นลอสฟาวสตาลาเนี่ยพยายามที่สะเ ก, กิดมนุษย์นะครับให้มนุษย์นั้นรู้สึกตัวว่าคุณจะศรัทธาคุณจะไม่ศรัทธาคุณอยู่บนโลกนี้เนี่ยคุณก็เหนื่อยไม่มีใครทรี่ไม่เหนื่อยคุณจะเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมคุณก็เหนื่อยคุณจะละหมาดคุณจะไม่ละหมาดคุณก็เหนื่อยเราจะเหนื่อยยังไงให้ได้บุญอย่าว่าแต่ละหมาดเลยนะครับแม้แต่กินข้าวก็ยังเหนื่อยฮะ กว่าจะกินข้าวได้เนี่ยเหนื่อยไหมต้องไปหาปลามาทำต้องไปหาข้าวมาหุงต้องไปล้างจานต้องไปล้างหม้อเหนื่อ ย, มยหมื่อยบางทีกินข้าวเสร็จก็เหนื่อยนะโอ้กินข้าวจนอิ่มโอ้ยไม่ไหวไปไหนไม่ไหวแล้วมันอิ่มเกินไปเหนื่อยขนาดกินข้าวมันยังเหนื่อยแล้วอะไรมั่งในชีวิตเราที่ไม่เหนื่อยทุกอย่างมันเหนื่อยหมดกาดิอุนอิลารบบกกัดฮันเหนื่อยหมด เปลี่ยนความเหนื่อยให้มันเป็นผ ล, ลบุตรนั่นแหละคือคนฉลาดแล้ววันนี้พรุ่งนี้คุณจะต้องออกไปทํางานเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่าทํางานของคุณมันเกิดผลอะไรต่อวันอะเครัตบ้างอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นข้อแตกต่างระหว่างคนที่เข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจมันเป็นข้อแตกต่างระหว่างคนที่อัลกุรอานบอกว่าในอะยัดที่สิบเป็นต้นไปฟาอัมมามินอู อ, อ, อ, อ, อไม่ใช่อัยัดที่สิบนะครับอัยัดที่เจ็ด فأما من أ و ت ي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا ي س ي ر وينقلب ل ى مسرورا เราทุกคนเหนื่อยเราทุกคนจะต้องบากบันไปหา Allah แต่พอถึงณจุดที่เราไปพบกับอสุภาวันจาราแล้วเนี่ยเราถูกแบ่งเป็นสองพวกพวกแรกม م ن อู و ت ِ ي كتابه بيمينه ผู้ที่ได้รับสมุดบันทึกบันทึกอะไรบันทึกความเหนื่อยในโลกนี้แหละนะครับบันทึกสิ่งที่เราทำไปในโลกนี้เบียมี่นี่รับด้วยมือขวาจะเกิดอะไรขึ้นขึ้นกับชีวิตของเขาเขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายนะ วายังกะลิบุอิละอลัลฮิมัสรูรอพอชำระพอสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับไปหาพักพวกหรือครอบครัวของตัวเองด้วยควาดด้วยความดีใจเบิกบานใจนี่คือสภาพของผู้ที่ได้รับจากมือขวาเป็นการแจกใบใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบถ้าเป็นเด็กๆ ก, ก็ใบรอโบใบรอโบอเวลาที่รับใบรอโบอ ได้คะแนนเท่าไหร่ได้โอ้ไอพวกที่ได้เกรดสีทุกตัวนี่โอ้มันเห็นอาการออกมาโดยโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือพวกที่หนึ่งในขณะที่พวกที่สองอัลมัมัณอูติยาคิตาบะฮฺวะราอะฟะริฟะซูฟัยดะอุบูร่ายัลลาสัยราในขณะที่ผู้ที่ได้รับสมุดบันทึกของพวกเขาจากข้างหลัง จากข้างหลังและด้วยมือซ้ายเพราะมีอายัดอื่นบอกว่าว่าอัชฮะบุชีมะลมาอัชฮะบุชีมะลพวกมือซ้ายนะครับรับจากมือซ้ายแล้วก็รับข้างหลังแบบไม่มองข้างหน้าด้วยเพราะว่าอดสูด้วยความอดสูด้วยความด้วยความเขาเรียกว่าต่ำต้อยนะครับเพราะต้องรับสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่เป็น ะมะเสียต่อ Allah s u b h น, น, ะนะ้าอัลเบลลา์นดาล่รับเสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะกล่าวว่าอย่างไงฟาซาวฟย์ดดอสูบูราก็คือเขาเรียกว่าสบทสาบานให้ตัวเองเกิดความเสียหายพินาตเสร็จแล้วพินาตหมดแล้วฮายนาหมดแล้วนี่คือคำพูดสูบูรอสูบูรหมายถึงให้พินาต คือขอดวอาให้คือสะบัสบดกับตัวเองนะครับสะบดกับตัวเองด้วยความที่มันนะครับเจอกับสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยและไม่มีนะครับอลาลาัลลอฮฺเวลาที่จะสอบสวนคนที่ทําผิดเนี่ยอัลาลอฮฺจะไม่ละเว้นแม้แต่นิดเดียวไม่ละเว้นแม้แต่นิดเดียวจริงๆแล้วมีฮะดีษที่พูดถึงนะครับว่ามีฮะดีษที่พูดถึงที่เล่าว่ดยงอิชฮฺรัดียัลลอฮฺอัลลอฮฺ ق ล่ رسول الله صلى الله عليه وسلم มน ن กิชมนุกิชหลิป ا ب บอืใครก็ตามที่อัลลอฮฺเอาไปสอบสัมภาษณ์การการสอบสวนของเราเนี่ยมือนว่าสอบสัมภาษณ์นุกิชทีละเนี่ยทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างใครก็ตามที่โดนสอบอย่างนี้กับอัลลอ เขาคนนั้นจะต้องถูกทรมานอย่างแน่นอนไม่มีการหลุดพ้นแล้วจะทำยังไงแล้วอายัดเจ้าละต่าบอกว่าอัลลอฮมันอูติยะกีแทบะฮูเบียมีนคนคนที่เป็นมุสมิมแหละคนที่เป็นมุสมิม น, นี่โดนสอบไหมโดนสอบไหมครับโดนสอบแล้วเราเองโดนสอบนี่เราจะโดนโลงโทษไหมมันค้านไหมกับกับ h a d นี้อชสฮ์ก็เลยถาม أ ف uh อ ي س เ ا ل الله تعالى فسوف يحاسب حساب يسير إن شهني بن كلشلة سبحان الله เป็นภรรยาที่ท่านนาบีรักมากเพราะว่าเป็นคนฉลาดเป็นเหมือนกับภาชนะที่คอยรับความรู้จากท่านนาบีสุลต่านความรู้บางอย่างที่สัฮาบะคนอื่นเข้าไม่ถึงอิชชานี่จะเข้าถึงหมดเพราะเป็นภรรยาของท่านโดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของท่านในครอบครัว ในบ้านท่านใช้ชีวิตยังไงการอาบน้ำจนาบัคยังไงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเอามาจากอันชาบบรัดาของผู้ศรัทธาบรรดาของพวกเราทุกคนนะครับอัลลอฮฺอัลอัลลอฮฺอันชาบอชาบบเขเลยถามท่านนบีสุลต่านว่าแล้วที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าฟาโซฟัยูฮาซาบุฮิซาบันเยซีรอเนี่ยมันเป็นการสอบสวนหรือเปล่าในเมื่อท่านบอกว่าทุกคนที่ถูกสอบสวนจะต้องเข้านรกหมดเลยแล้วนะบรนดาผู้มินที่ถูกสอบสวนนี่แหละจะเข้านรกหรือเปล่า า l l a h t a a l บอกอย่างนี้เนี่ยตกลงมันอนธิบายยังไงท่นานนับิก็เลยตอบว่าเลยซาลิกบิลฮิซับนั่นไม่ใช่การสอบสวนไม่ใช่การคิดนะมันไม่ใช่การคิดอ l l ล h t a a l ไม่ได้คิดบาป ข, ของมุมินนั่นเป็นเพียงแค่วลัยินซาลิกะลร์ูนั่นเป็นเพียงแค่การฉายให้เห็นนี่คือข้อแตกต่างถ้าเราถามว่าระหว่างมุสิน กับคนที่ไม่ใช่โมเมนเนี่ยพอไปอยู่ตอนหน้าอุลตราซูเปอร์มาร์เก็ตแล้เนี่ยทุกคนจะต้องถูกสอบสวนแต่มันมีข้อแตกต่างของกาเซตหรือของคนที่ไม่ใช่มุสลิมของคนที่จะเข้านรกเนี่ยทิละเม็ดทิละเม็ดทิละเม็ดนะทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วอะไรจะสอบสวนหมดเลยทำอะไรบ้างทําอะไรบ้างสอบสวนอย่างนี้เนี่ยจบแน่นอนครับเข้าพรมาในนรกอย่างแน่นอน เราเอาสุเป็นลรแต่ของมุสมินเนี่ยรัตตาร์ก็จะนะครับของกาเฟสของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะเปิดให้สาธารณะทานกำนันได้เห็นเลยแต่ของมุสลินเนี่ยรัตตาร์จะเอามาทีละคนทีละคนทีละค น, ละคนแล้วก็จะเอาม่านของเรากั้นเอาไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นเฉพาะเขาคนนั้นเท่านั้นที่เห็นแล้วรัตตารา์ก็จะเปิดให้เราเห็น อ๋อว่าไม่นองครับแค่คิดถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะซ่อนความละอายเอาไว้ตรงไหนลระสารีราชจะให้เราเห็นหมดเลยเอามาเอามาชิ้นหนึ่งฉายให้เราเห็นเจ้าเคยทำอันนี้ใช่ไหมวันนี้เวลานี้ตอนนี้เจ้าเคยทำอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะยอมรับมันจริงๆมันเห็นภาพจริงๆใช่วันนี้เขาเจ้าเคยทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้จนหมด จนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีทางรอดแน่นอนแล้วแต่สุดท้ายอัลลอฮ์สุภาพน่าตาละนะครับอุลามะบางคนพออ่านฮะดีสนี้ร้องไห้นึกถึงวินาทีที่ตัวเองต้องยินต่อนหน้าอัลลอฮ์แล้วก็ไปเห็นพฤติกรรมพฤติกรรมชั่วชั่วที่เราทำคนเดียวที่เราทำในที่ลับคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่เราเห็นน่ะไม่รู้จะเอาไปสไว้ที่ไหนต่อนหน้าอัลล์ นะครับนี่คือนี่คือสภาพที่เราจะต้องกลับไปหาเราแต่เราสาละก็ปิดปิดก้านไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับแค่เราเห็นคนเดียวสุดท้ายเราสาละก็บอกว่าเมื่อเจ้าเมื่อตอนที่เจ้าอยู่บนโลกดุเนยียเจ้าเคยทําเรื่องไม่ดีไม่ร้ายมิดีมิร้ายไม่ใช่ไม่ดีไม่ร้ายมิ ด, มมม ด, มมดีมิร้ายนะครับมันมันแตกต่างกันนะคำสองคำนี้เรื่องมิดีมิร้ายเอาไว้ไมาเยอะถึงแม้ว่าเจ้าคนอื่นจะไม่เห็นแต่เจ้าก็เห็น ตอนที่เจ้าอยู่บนดุนยาเนี่ยเจ้าเคยทําด้วยความละอายมาก่อนฉันเคยปกปิดความปิดบาปของเจ้ามาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าสํานึกตัวแล้วเจ้าขอพยโทษจากข้าแล้วข้าก็จะอภัยโทษตอ บ, บาปทั้งหมดของเจ้าด้วยเช่นกันนี่คือสภาพสองสภาพที่เราจะต้องเจอ น, นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เป็นมมกมินเถิดครับพี่น้องนะครับแม้ว่าในโลกนี้มีสิ่งต่างๆมากมายที่เราจะไม่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเอง มีการโดนกับดักของชัยตอนไปมากมายเท่าไรแต่หวังว่าการเป็นมุสลิมของเราอิมานของเราจะช่วยให้เรารอดพ้นจากการสอบสวนแบบครับแบบแบบละเอียดจนกระทั่งว่าจะต้องถูกทรมานทร ก, กรรมต้องลองโทษในนรกของพราฮิมที่สุดอูลบลิลลาม์มุดาลิลาอิลาอิลอินนคาฟีอลฮีมัรูรอละตัาล่าทีบอว่าทาไมคนที่รับ สมุดบันทึกจากมือซา้ายจากด้านหลังจึงต้องเท่กับสภาพเช่นนั้นนะครับอินนาหูแกนาฟีอัลฮิมัสรรแท้จริงคนเหล่านี้เมื่อครั้งที่พวกเขาอยู่ในโลกนี้กับครอบครัวของพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะอยู่แบบความแบบร่าเริงหมายความว่าอยู่ในสภาพที่หลงลืมมาดูคำอธิบายของของมกุกซีสักหนึ่ง หมายความว่าฟ้ารหันไม่ยุ่งคิด م ึงอายความว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความระเริงด้วยความหลงลืมด้วยความบันเทิงมนุษย์เวลาที่บันเทิงบนโลกนี้มีสักกี่คนที่จะคิดถึงอาขร้เวลาที่เรา เวลาที่เราฉลองกันเวลาที่เราใช้ชีวิตในสภาพที่เขาเรียกว่าความสะดวกสบายอ่ะฟังฟังฟังระบบดิจิตอลนะครับฉายระบบ HD High อะไรนะ High High Dimension เนี่ยมีสักคนกี่คนไหมที่คิดถึงอัครานี่คือสภาพของเรา เอาเวลาที่เราไปที่ไหนแล้วก็ไปนั่งกินนั่งแก้วนั่งอะไรกันเนี่ยสกีลคนที่นึกถึงอัคราตนี่คือคำพูดของอัลลอฮฺบอกว่าอินนหูกะนฟีอัลลีฮิมัซรุรอใช้ชีวิตโดยไม่คิดถึงสักนิดหนึ่งว่าบ้นปลายจากการที่ใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอินนห้วันนัอไลฮูเขา คิดว่าจะไม่กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาส่วนใหญ่ของคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้นะบางทีในหมู่มุสลิมเองเนี่ยเราอาจจะอาจจะมีบ้างแต่มันมันไม่ชัดเหมือนกับในหมู่ของคนที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีอาเรัฐนะครับไอคนที่มาซื้อบ้าน สองร้อยล้านสามร้อยล้านแถวแถวเมืองเราประเทศเรานี่แหละนะบ้านเขาเนี่ยเราไปดูบ้านเขาแล้วเนี่ยก็คงไม่คิดจะจะตายเหมือนกันนจะตายทำไมมีทุกอย่างแล้วในบ้านใช่ครับหน้าโบกคือเขาเรียกว่าจำลองจำลองรูปแบบสวรรคาา์เอามาสร้างบ้านของตัวเอง ใช่ไหมนี่คือคนที่ไม่มีอาคัดอินนะฮูซันนะอไลยา AH ฮูไม่กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วจบก็คือจบเพราะฉะนั้นต้องต้องเอาให้มันเต็มที่ตอนที่อยู่ในโลกนี้จะทำอะไรก็ทำจะกินอะไรก็กินจะใช้อะไรก็ใช้นี่คือคนที่ไม่มีอัลลอฮ์บลาอินน์รับบุห์แคนบิฮิบาซีรอผู้รู้เถิดว่าแท้จริงพระเจ้าของเขานั้นทรงเห็นเขาอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรลอสสุภานอ้องจ๋าเราก็จะเห็นสอดส่องเราอยู่ตลอดเวลยนพี่น้องครับนี่คือผลอย่างเป็นรูปธรรมที่อลอสบาลต์เราต้องการให้เราได้ทบทวนตัวเองเวลาที่เราอ่านเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวันเกียรติ์เวลาที่อลอสตาลาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะจะเกิดขึ้นในวันโตกมันไม่ควรจะเป็นแค่เรื่องราวที่เราฟัง เราอ่านพันๆแล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาในเชิงในเชิงพฤติกรรมต่อพวกเราควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเวลาที่เรากลับไปหาอัลลอ์แล้วเราแบกอะไรไปหาพระองค์ยะย์อือฮะลลัตีนอาเมนุตักุลลอฮฺวัลเต็นดุรเนฟซุมมาคัดดัมต์ลิกรินวัตตะุลลอฮอิัลลอฮฮบิรุนีมาตัล ตักว่าเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจวิถีการดำารงชีวิตแบบนี้นะครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตักว่าต่ออัลลอ์และจงดูว่าพวกเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันตรงนี้วะตักุลลอฮ์จงตักว่าต่ออัลลอฮ์อินนัลลอฮะบีรุนบิมาตัมลุนละ ت อาลานั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอย่าให้ความเหนื่อยของเราสูญเปล่าทุกคนเหนื่อย หายใจก็เหนื่อยแต่หายใจนี่ก็เหนื่อยนะครับทุกคนเหนื่อยอย่าให้ลมหายใจที่เราเหนื่อยกับมันเนี่ยไร้ผลใดๆทั้งสิ้นในตาช่างของเราในวันแขมา่ขอให้มันเป็นความเขาเรียกว่ามันหนักบนตาช่างของเราให้มากที่สุดแรงที่เราออกกับมือของเราแรงที่เราออกกับเท้าของเรามันสมองที่เราใช้ในการบริหารจัด ก, การชีวิตเรา ให้มันเป็นเครื่องนะให้มันหนักให้มันเป็นน้ำหนักบนตาช่างของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยให้ดีทําให้ดีนะครับทําให้มันเป็นสัมภาระของเราในการที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานจ่าแล้ในวันแกมบัตให้ได้นะครับต้องถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียนถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียนถ้าทําไม่ได้ก็ต้องฝึกต้องบากบั่นให้มัน พี่มันที่สุดคนชีวิตคนเราให้ได้หนักขั้วอวยด้วยอัลลอฮฺตั้งลาอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺเรานบีนามุฮัมมัดอัลัยอัลัยอัลัยอัลัยอััลลัออลอัยัลอลัลลัลัลลลอลอลอัลอลัยลลอ